ทุกอย่างไม่เที่ยงจะมืดหรือจะสว่างไม่เที่ยงเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวไม่ได้เรียนเพื่อบังคับวยเรียนจนเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายมีเหตุที่เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ค่อยๆเรียนให้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างใจของเรามืดๆนะ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 อย่างยุค ข, ของเรานี่นะถึงจะเก่งแค่ไหนนะอยู่ได้สองกับก็ราสปีประมาณนั้นอย่างมากแต่ละวงก็สร้างบารมีนานเพราะว่าอยากได้ของพิเศษอย่างพระเอตัทัคคะทั้งหลายในนี้สร้างบารมีประมาณแสนกับแต่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระพวกเราไม่ต้องถึงขนาด น, นั้นหรอกพวกเราไม่ได้หวัง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 รุ่นเราเสียดมันเ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านพูดแล้วพระอุปตากมาเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านบอกคนรุ่นเราหนะ้ากว่าจะได้โสดานะบวชกันจนแก่เลยรุ่นไปได้กันตอนแก่ๆนะรุ่นหลังๆท่านว่าอย่ง น, นจริงไหมจริงไม่รู้หรอกนะใครจะไปรู้ว่าใครได้โสดาไหมแต่ท่านว่ามันมันน้อยลงน้อยลงนะ